เข้าไปด้วยอำนาจอากุศลกรรมพูดง่ายๆก็คือบุญกับบาปเท่านั้นที่จะนำเราไปเกิดบุญนำไปเกิดในสุคติภูมิซึ่งได้แก่โลกมนุษย์โลกสวรรค์และพรหมโลกส่วนบาปนำไปเกิดในทุกติภูมิเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นคนกลับมาเกิดใหม่อธิบายหลอน ไปได้ความรู้นี้มาจากเมืองนรกนางแต้มจึงถามขึ้นบ้างว่าหนูรู้ไหมว่าคนที่เจริญกรรมฐานตายแล้วไปเกิดที่ไหนนางเอิยงอธิบายว่ากรรมฐานเป็นกุศลชั้นสูงสุดเรียกว่าภาวนาไมาถ้าผู้ปฏิบัติสําเร็จมรรคผลถึงขั้นสูงสุดที่เรียกว่าอรหัมตมรรมอรหัตผล ก็จะไม่ต้องเกิดอีกเรียกว่าบรรลุนิพพานบุคคลผู้นั้นชื่อว่าพระอรหันต์รองจากอารหันต์เรียกว่าอนาคามีก็คือผู้ที่สําเร็จอนาคามิมกักอนาคามิผลหากตายไปจากโลกมนุษย์ก็จะไปเกิดเป็นพรหมในชั้นสุททาวาสมีถึงห้าชั้นได้แก่อวิหาอตตปาสุทธาสุทธศี และอาการนิสถาตามกว่าพระอนาคามีชื่อพระสกทาคามีและพระโสดาบันตามลำดับพระโสดาบันและพระสกทาคามีอาจเกิดในโลกมนุษย์หรือว่าโลกสวรรค์ก็ได้ผู้ที่สำเร็จมรรคผลตั้งแต่โสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลขึ้นไปถือว่าตัดขาดจากอบายภูมิได้อย่างเด็ดขาด จะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์เดรัจฉานและถ้าไม่บรรลุสักอย่างเดียวละจ๊ะอย่างฉั่นเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเลยคงไม่ถึงขั้นจะเป็นพระโสดาบันอย่างคนอื่นเขาหลอกนางแต้มแสดงอาการวิตกก็อาจจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาแต่ถ้ามีกรรมชั่วมากก็ต้องไปตกนรกถ้ามีกรรมชั่วเพียงเล็กน้อย ไม่หนักหนาสาหัสก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจ้ะสาวน้อยตอบอย่างคล่องแคล่วนอกจากลักขโมยแล้วกรรมที่ทําให้ไปตกนรกมีอะไรบ้างละจ้าหนูคนถามคือนางแช่มกรรมที่ทําให้ไปตกนรกมีสิบอย่างจ้ะเรียกว่าอากุศลกรรมบทสิบแบ่งตามลักษณะที่แสดงออกมาก็จะได้สามแบบคือกายกรรม วจีกรรมและมโนกรรมถ้าทําชั่วทางกายก็เรียกว่ากายทุจริตมีสามอย่างได้แก่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์และประพฤติผิดในกา ร, รมทาชั่วทางวาจาก็เรียกว่าวจีทุจริตมีสอย่างได้แก่พูดปลดพูดสอดเสียดพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจอ้อทําชั่วทางใจก็เรียกว่ามโนทุจริตมีสามอย่างได้แก่โลภอยากได้ของเขา พยาบาทบองร้ายเขาและมีความเห็นผิดคนที่ทำความช่วยอย่างใดอย่างหนึ่งในสิบอย่างเนี้จะต้องตกนรกต้องถูกทำโทษอย่างแสนสาหาัสหาความสุขสบายไม่ได้เลยแต่ถึงจะทุกธทรมานอย่างไรก็ไม่ตายเช่นบางคนถูกเครียดจนขาขาดก็ยังไม่ตายเพราะขามันจะมาต่อกันใหม่ให้ยมาบาลเครียดอีกถ้อยคำของนางสอิง ทำให้พระเจริญนึกถึงคำบอกเล่าของตับแปะเหลิงห้วยที่หนีจากเมืองนรกมาเข้ายายเผาเพื่อบอกให้เจดเจียหลานสาวมาเจริญกรรมฐานแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้แสดงว่าเมืองนรกนั้นไม่ดีเลยใช่ไหมนางโถงถามสำหรับหนู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 มีพระมาลัยมาเทศโปรดให้พวกสัตว์นรกได้ทำวัดสวดมนต์ได้เจริญพระกรรมฐานคนที่สวดมนต์ไม่เป็นและก็ไม่เคยเจริญกรรมฐานหากตายไปตกนรกก็จะได้ไปเรียนรู้ที่เมืองนรกนั้นเช่นหนูเป็นตัวอย่างหนูถึงได้พูดว่านรกให้สิ่งดีแก่หนูพระเจริญต้องการตรวจสอบเรื่องตะแปะเหลงหวย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 พระอาหารหันต์ที่ไปเทศโปรดสัตว์นรกเรียกว่าพระมาลายทุกองค์จาะเป็นอันว่าสิ่งที่ตะแปะเหลงห้วยเล่าให้ฟังนั้นตรงกับที่นางเอี่งบอกกล่าวทุกประการกระนั้นท่านก็ต้องการทราบอีกว่าพระไปตกนรกบ้างไหมเยอะแยะเลยจ้าหลวงพ่อคำตอบของนางเอิ่งทำให้พระนมรู้สึกร้อนๆอนหนาวหนาวเมื่อทึกถึงกรรมที่ขโมยเข้าตก รู้ได้ยังไงว่าเป็นพระเพราะมีผ้าเหลืองผูกข้อมือจะ้ะพระเนี่ยตกนรกง่ายกว่าครือข่ายอีกนะจ้าหลวงพ่อโยมบาลบอกว่าในอนาคตพระจะตกนรกกันเยอะเพราะทําผิดวินัยถึงขั้นต้องประราชิกกันมากและหนูถามโยมบาลหรือเปล่าว่าคนทําชั่วแก้ตัวได้ไหมมีทางที่จะตัดเวรตัดกรรมได้อย่างไรมีจัก และวิธีตัดเว้นตัดกรรมนั้นมีทางเดียวคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานแต่ถ้าเป็นกรรมหนักก็ไม่มีทางแก้ไขได้ต้องชดใช้กรรมนั้นจากหลวงพอ่อกรรมอะไรบ้างที่แก้ไม่ได้ท่านทดสอบทั้งที่ทราบคำตอบเดียวแล้วจากการศึกษาปริยัตกรรมหนักค่ายอย่างที่เรียกว่าอนันตริยกรรมได้แก่ฆ่าแม่ ข้าพ่อข้าพระอาหารหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตหอกขึ้นและยุโยงสมให้แตกกันกรรมห้าอย่างนี้ลบล้างไม่ได้ต้องชดใช้กรรมนั้นด้วยตัวเองจะ้ะและยมาบาลบอกหรือเปล่าว่าที่ไปลักข้าวเขานะต้องแก้กรรมอย่างไรนางสิ่งเข้าใจว่าสมภารวัดป่ามะม่วงหมายถึงตัวหล่อนจึงตอบว่า เยาบาลบอกว่าต้องสร้างกุติกรรมฐานจ้ะเพราะเหตุเนี้ยหนูจึงชวนพี่ปุ่นกับพี่ทองคํามาวัดที่จะมาสร้างกุติกรรมฐานหลวงพ่อให้หนูสร้างนะจ้ะดีเลยหนูวัดนี้ไม่มีกุติกรรมฐานหนูช่วยมาสร้างให้เป็นคนแรกเลยนะหลวงพ่อดีใจเหลือเกินที่หนูมาวัดนี้ในใจนั้นก็คิดว่าเห็นทีจะต้องสร้างกุติกรรมฐาน ให้เต็มวัดเลยจะได้ไม่ต้องไปตกนรกอย่างที่แม่เมาส์แกเคยพูดไว้ว่ารักพระแม่โพศต้องตกนรกแม่หนูพระมาลายท่านเทศเรื่องอะไรบ้างพอจะเล่าสู่กันฟังได้ไหมนางแช่มสนใจใคร่รู้ ท่านเทศถึงเรื่องกรรมที่พวกสัตว์นรกทำไว้อันเป็นเหตุให้ต้องตกนรกจาะเช่นคนที่เคยฆ่าวัวฆ่าควายเมื่อตกนรกก็ต้องมาเกิดเป็นวัวเป็นควายให้เขาฆ่าแต่มันหนักหนาสาหัสกว่าคือตอนฆ่าวัวฆ่าควายในเมืองมนุษย์ฆ่ามันตายแล้วก็แล้วส่วนที่เมืองนรกถูกฆ่าตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ให้เขาฆ่าอีก คนที่ลักทรัพย์เขาก็ถูกตัดมือตัดแขนตัดแล้วมันก็มาต่อกันใหม่ให้ถูกตัดอีกคนที่ประพฤติผิดผัวผิดเมียเขาก็ต้องปีนต้นงิ้วมีหนามยาวสิบหกองคุลีถูก้ํามงิ้วแทงแล้วก็ถูกแกรง้งกาปากเหล็ดจิกกินเนื้ออีกส่วนพวกที่พูดปดโกโหกกลอกลวงเขาก็ถูกตัดลิ้นตัดแล้วมันก็ต่อกันใหม่ให้เขาตัดอีก พวกดื่มสูราก็ถูกโยมาบาลเอาน้ำเดือดในกระทะทองแดงกรอกปากดูแล้วมันน่าอนเนตอนาถเหลือเกินโยมาบาลบอกว่าคนพวกนี้บางคนยังไม่เข็ดพอได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ก่อกรรมทำชั่วอีกพอตายลงก็ต้องมาตกนรกเหมือนพวกนักโทษที่ไปติดคุกพอได้รับการปลดปล่อยก็ออกมาทำผิดอีกจึงต้องกลับไปติดคุก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 หากทำความชั่วโย ม, มาบาลไม่รับสินบนเหมือนพวกมนุษย์หรอกจากสาวน้อยเล่าขานหนูหลวงพ่อขอถามอีกข้อเถอะสงสัยมานานแล้วคือหลวงพ่ออยากจะรู้ว่านารกนั้นมีเฉพาะคนไทยหรือเปล่านารกฝรั่งนรกแขกมีไหมไม่มีนรกไทยนรกฝรั่ง นรกแขกหรอกเจ้าหลวงพ่อไม่มีการแบ่งแยกคนทำความชั่วไม่ว่าจะเป็นไทยฝรั่งหรือว่าแขกก็ต้องไปตกนรกเดียวกันทั้งนั้นการแบ่งแยกเชื้อชาติมีแต่ในโลกมนุษย์นรกสวรรค์ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติหรือว่าศาสนาหรอกจ้ะหนูเคยเห็นสวรรค์มาแล้วหรือยังถึงได้รู้นางแต้มเป็นคนถามยังไม่เคยหรอกเจ้านะ ที่รู้เพราะว่าโยมบาลบอกแต่อีกห้าปีหนูก็จะได้ไปเห็นโยมบาลให้หนูมาเกิดในโลกมนุษย์ยี่สิบปีถ้าหนูทำตามที่ให้สัญญาไว้กับโยมบาลคือรักษาอุโบสถศีนทุกวันพระกับสร้างกุฏิกรรมฐานด้วยเงินหนึ่งช่างไม่ขาดไม่เกินตายแล้วหนูจะได้ไปเกิดในสวรรค์ไม่ต้องไปเกิดในเมืองนรกอีกหนูมั่นใจ เพราะว่าโยามาบาลเขาจะไม่โกหกหรอกจะนะเสียงเนนเฉลียวเคาะระฆังบอกเวลาทาวัดเย็นสมภารวัดป่ามะม่วงจึงพูดขึ้นว่าได้เวลาทาวัดเย็นแล้วขอเชิญญาติโยมไปลงอุโบสถทาวัดเย็นด้วยกันโยมปุ่นด้วยหลังจากนั้นก็จะได้ปรึกษาหารือกันเรื่องการสร้างกุฏิกรรมฐานหนู วันนี้หลวงพ่อขอให้ช่วยเป็นคนนำญาติโยมสวดมนต์ได้ไหมท่านถามนางใสอิ่งได้จ้กตอนหนูอยู่เมืองนรกหนูทำหน้าที่นี้สาวน้อยรับด้วยความเต็มใจจากนั้นสมพานวัดป่ามาม่วงจึงเดินนำญาติโยมไปที่โบสถ์ซึ่งหลวงตาอ้ อ, อนหลวงตาเฟื่องสัมเมเนนเฉลียวและแม่ชีก้อนทองรออยู่แล้ว เมื่อพระเจริญนำกราบพระและบูชาพระละตน์ไตรแล้วนางซิ่งก็นำสวดมนตร์รมวัดด้วยเสียงกังวานใสจนแม้พระเองก็แอบชื่นชมในใจจะกล่าวไปยญยถึงญาติโยมโดยเฉพาะโยมผู้ชายนั้นต่างก็อยากเป็นในปุณตรงที่มีเมียสาวสวยเสียงไพเราะสนอโสด ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงการทําวัดสวดมนต์ก็เสร็จสิ้นลงเนนเฉลียวเป็นคนหนุ่มที่ค่อนข้างใจร้อนท่านรีบเดินมาที่สาวน้อยกล่าวชมว่าโยมสวดมนต์เก่งเหลือเกินน้ําเสียงก็ไพเราะเพาะพริง้งอัตมายังไม่เคยเห็นใครสวดได้ไพเราะเช่นนี้มาก่อนท่านเข้าใจผิดคิดไปเองว่านางเอิยงเป็นหลานสาวของสองตายายคู่นี้ นึกหมายมั่นปั้นมือว่าศึกหาลาเพศเมื่อใดจะให้พ่อไปสู่ขอมาเป็นภรรยาพระเจริญเห็นท่าทางเจ้าชู้ไก่แจ้ของลูกศิษย์ก็ให้นึกขำจึงรีบตัดไฟเสียแต่ต้นลมว่าโยมปุณคืนนี้คงต้องพักค้างคืนที่วัดนี่ล้นะอาตมาจะให้โยมพักที่กุฏิเนนเฉลียวส่วนภรรยาสองคนจะให้ไปพัก บนศาลากับแม่ชีก้อนทองแล้วหันไปสั่งเนนว่าช่วยพายโยมไปพักที่กุฏิด้วยเขาพาภรรยามาสร้างกุฏิคนนี้ชื่อสอยิ่งเป็นภรรยาเก่าอายุสิบห้าปีอีกคนหนึ่งเขาชื่อทองคำเป็นภรรยาใหม่อายุเจ็ดสิบสองปีท่านช่วยแนะนำให้เสร็จสับเนนเฉลียวได้ฟังนึกว่าหูเฟื่อนไป จึงถามขึ้นว่าท่านสมพานพูดผิดหรือเปล่าครับโยมเอิยงเป็นหลานสาวของภรยาเก่ากระมังครับแต่ท่านพูดว่าเป็นภรยาเก่านางแต้มจึงตอบแทนสมพานว่าท่านพูดไม่ผิดหรอกเจ้าเนนแม่นูเอิยงนี่แหละเป็นเมียเก่าของนาคนนี้เนนเฉียวรู้สึกเหมือนว่าหัวใจหล่นวูบลงมากองที่ปลายเท้า กลั้นใจถามอีกว่าโยมพูดผิดหรือเปล่าตั้งสติให้ดีแล้วพูดใหม่สิฉันพูดไม่ผิดหรอกจ้ะแต่ท่านไม่เชื่อจะถามแม่โถดูก็ได้แม่หนูคนเนี้ยเขาเป็นเมียเก่านะคนนี้แต่เขาได้ตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เขาระลึกชาติได้เลยมาอยู่กับผัวเก่าอีก เสียงในปุ่นถามพระเจริญว่าท่านครับแล้วเรื่องที่ผมจะสร้างกุฏิกรรมฐานจะลงมือกันเมื่อไรครับท่านจะอนุญาตให้สร้างตรงไหนแม่เสิ่งเขาบอกโย ม, มาบาลสั่งมาว่าให้สร้างให้เสร็จภายในหนึ่งวันด้วยเงินหนึ่งช่างพอดิบพอดีบุรุษวัย78สบดพูดรู้สึกกังวลแทนภรยาเขาเกรงว่า หากไม่เสร็จตามนั้นแม่เสอิ้งเมียรักก็จะไปตกนรกอีกอย่าห่วงไปเลยโยมพรุ่งนี้ค่อยว่ากันสร้างตรงหน้าโบสถ์นั่นนหะดีไหมท่านชี้ไปทางขวามือของโบสถ์ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอุบาศกนมซึ่งฟังเรื่องราวมาโดยตลอดจึงปลอบใจว่าอย่าห่วงเลยพรุ่งนี้พวกกระผมจะเกณฑ์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 โยมผู้ชายอีกคนหนึ่งสนับสนุนสมภารวัดป่ามะม่วงจึงพูดสรุปว่าเอาละอาตมาขอบใจ ญ, ญาติโยมทุกคนและขออนุโมทนาในกุศ ล, ลจิตของพวกท่านทั้งหลายนี่ก็ค่ำมืดแล้วขอให้แยกย้ายกันกลับบ้านเนนช่วยพายโยมปุ่นไปที่กุติด้วยส่วนแม่ชีก็พายโยมทองคำกับหนูเซิ่งไปที่ศาลา พรุ่งนี้เช้าจะได้ลงมือสร้างกุฏิกรรมฐานกันแม่ชีก้อนทองรับคำทั้งที่ทกังวลอยู่ลึกๆกังวลว่าเมื่อเทวดาชวนสวดมนต์แม่ทองคำกับแม่ซิ่งอาจตื่นขึ้นมาเห็นแล้วคิดว่าตนน่ะเสียสติไปก็ได้ดังนั้นเมื่อพาคนทั้งสองไปส่งที่ศาลาแล้วจึงไปหาพระเจริญที่กุฏิของท่านหลวงพ่อ ฉันกลัวสองคนนั้นจะหาว่าฉันหนะบ้าถ้าเทวดามาชวนฉันสวดมนต์ตอนเที่ยงคืนกลัวไปทำไมละ่ะดีสิอีกเขาจะได้รู้ได้เห็นว่าเทวดามีจริงแม่หนูคนนั้นแกไปตกนรกมาแกเชื่อแล้วว่านารกมีแม่ชีไปอยู่ซิที่ไหนละ่ะถึงได้ไม่มาฟังแกเล่าสมภารวัดป่ามะม่วงถาม ดิฉันปฏิบัติอยู่หน้าโบสถ์จ้ะไม่อยากฟังไม่อยากรู้เรื่องราวของใครอายุฉันเหลือน้อยลงไปทุกวันทุกวันฉันก็อยากจะสร้างสมคุณความดีให้มากๆบุญพาวาสนาสง่งฉันอาจจะได้บรรลุมากผลนิพพานบ้างแม่ชีก้อนทองบอกกล่าวไม่อยากไปเกิดในสวรรค์หรือคนที่เขาทำบุญกันอธิษฐาน ขอให้ได้ไปเกิดในสวรรค์ทั้งนั้นพระเจริญต้องการทดสอบแม่ชีวัย89ไม่อยากหรอกจ่าหลวงพ่อเพราะถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ก็ยังมีความทุกข์ดูอย่างเทวดาที่มาอาศัยอยู่ต้นพิกล น, นั่นอยู่สวรรค์ดีๆพอทาความผิดก็ตกจากสวรรค์มาอยู่ในโลกมนุษย์ฉันว่าจะเกิดเป็นมนุษย์หรือว่าเทวดาก็ยังมีทุกข์ เพราะยังต้องเวียนไหวยอยู่ในวัตตาสงสารฉันเรียนหลวงพ่อตามตรงว่าต้องการบรรลุนิพพานจะได้ตัดภพตัดชาติไม่ต้องกลับมาเวียนไหวาตายเกิดอีกฉันคิดของฉันอย่างนี้ละจ้ะใครจะว่าฉันเพี้ยนเพราะคิดผิดมนุษย์มนาฉันก็ไม่สนใจไม่ผิดหรอกโยมสิ่งที่โยมคิดและปฏิบัติอยู่เนี่ย ถือว่าเป็นจุดหมายของพระาศาสนาเชีวละน้อยคนนักที่จะรู้และเข้าใจว่าจุดหมายของพระาศาสนาเราก็คือหลุดพ้นจากทุก์โดยสิ้นเชิงซึ่งก็คือการเข้าถึงพระนิพพานอาตมาก็คิดอย่างเดียวกับโยมหากเป็นไปได้ก็จะไม่ขอเกิดมาเป็นมนุษย์อีกโลกมนุษย์เนี่ยมันวุ่นวายจริงๆนะโยมนะ จริงสิจ้าหลวงพ่อเพราะอย่างนี้แหละฉันจึงได้กรองตัวเป็นโสดมาจนทุกวันนี้พูดแล้วจะหาว่าคุยตอนฉันศสาวๆน่ะสวยอย่าบอกใครเชียวพวกหนุ่มๆแี่ยตอมกันเกลียวแต่ฉันไม่สนใจเลยเพราะมันฝังใจมาตั้งแต่เล็กๆว่าชีวิตเป็นทุกข์ถ้าฉันแต่งงานมีครอบครัวลูกหลานฉันก็ต้องมาเกิด